หลวงตาท่านเล่าเกี่ยวกับเรื่องเวลาของพบต่างๆให้ฟังหลายเรื่องฟังแล้วน่ากลัวจริงๆเมื่อเร็วๆนี้ท่านเล่าให้ฟังถึงเรื่องของเนนที่หนีจากที่คุมขังในนรกขึ้นมาเกิดและบวชเป็นเนนอยู่ได้18ปีโดยมีผู้คุมตามขึ้นมาชนิดไล่หลังกันมาติดๆพบกับเนนจนได้ผู้คุมมาแจ้งพระอาจารย์เจ้าอาวาสว่าเนนหนีมาจากที่คุมขังเขาไล่าตามมาติดๆจะเอาตัวกลับไปคุมขังตามเดิม เจ้าอาวาสขอเอาไว้ขอให้เนนได้อยู่ก่อนอย่าเพิ่งเอาชีวิตไปตอนนี้ขอให้เนรได้ฟังเทศคืนนี้สัก่อนผู้คุมก็ยินยอมและในคืนนั้นเมื่อเนนฟังเทศจากท่านอาจารย์แล้วก็เข้านอนจากนั้นไม่ตื่นอีกเลยคิดดูสิว่าเวลาที่ไล่กันมาติดๆขนาดเห็นหลังกันไ ว, ไวัยๆเวลาในนรกต่างกับในโลกมนุษย์ถึง18ปี ต่างกันมากเลยวิญญาณย่อมมีอยู่ทุกที่โดยเฉพาะบริเวณที่เป็นจุดอันตรายที่ชอบเกิดอุบัติเหตุถึงชีวิตบ่อยๆวิญญาณทั้งหลายไม่รู้ว่าจะไปไหนฉะนั้นเมื่ออ่อนผ่านบริเวณที่อันตรายเหล่านั้น mm. ก็จะภาวนาอยู่ตลอดเวลาใช้พุทธโธอย่างเดียวนี่แหละ